บทที่สิรูปนามที่จําเป็นต้องรู้จักการทําความรู้จักและทําความเข้าใจสภาวะของรูปนามเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ปรารถนาจะเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสนาเพราะถ้าไม่รู้จักรูปนามก็เท่ากับไม่มีแบบฝึกหัดในการทําวิปัสนาประเด็นที่เพื่อ น, นักปฏิบัติควรทราบมีดังนี้ คือ1แม้ในภาคปริยัตยจะกล่าวถึงรูปนามจำนวนมากคือถ้าจำแนกตามสภาวธรรมก็มีรูปนามถึง71อย่างคือจิตหนึ่งบวกเจตสิก52บวกรูปแท้18ถ้าจำแนกตามอุปาทานขันซึ่งเป็นกองทุกข์ก็มีรูปนามถึง160อย่างคือจิต81 บวกเจตสิก51บวกรูป28แต่ถ้าจะจำแนกเพื่อการปฏิบัติแค่เรียนรู้เพียง12อย่างหรือ6คู่และแถมอีกหนึ่งอย่างรวมเป็น13อย่างก็พอแล้ว 2. สภาวธรรม6คู่ได้แก่คู่ที่หนึ่งคือตากับรูปตาได้แก่ประสาตา ซึ่งรู้ได้ด้วยใจว่ามีอยู่ไม่ต้องผ่าตัดนำประสาตตาออกมาดูส่วนรูปที่ตาเห็นนั้นเอาเข้าจริงก็คือสีเท่านั้นเองแต่ที่เห็นเป็นรูปคนรูปสัตว์นั้นเป็นสมมุติบัญญัติหรือคำเรียกขานอันเกิดจากความจำได้ว่าสีที่ตัดกันเป็นสวดทรงอย่างนี้ชาวโลกเขาเรียกกันว่ารูปอะไรดังนั้นเมื่อตาเห็นรูป ให้รู้ว่าเป็นรูปก็พอแล้วไม่จาเป็นต้องรู้ว่ารูปอะไรเพราะรูปอะไรเป็นสมมุติบัญญัติคู่ที่สองคือหูกับเสียงหูได้แก่ประสาทหูซึ่งรู้ได้ด้วยใจว่ามีอยู่ส่วนเสียงที่หูได้ยินเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงสูงต่ําๆนั่นคือเสียงจริงๆ แต่ที่ฟังว่าเป็นเสียงคนเสียงสัตว์นั้นเป็นสมมุติบัญญัติหรือคำเรียกขานอันเกิดจากความจำได้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นชาวโลกก็เรียกกันว่าเสียงอะไรดังนั้นเมื่อหูได้ยินเสียงให้รู้ว่าเป็นรูปคือเสียงก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเสียงอะไรเพราะเสียงอะไรเป็นสมมติบัญญัติคู่ที่สามคือจมูกกับกลิ่น จมูกได้แก่ประสาทจมูกซึ่งรู้ได้โดยใจว่ามีอยู่กลิ่นที่ประสาทจมูกรับรู้นั้นเป็นเพียงศักว่ากลิ่นแต่ที่ว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นดอกกุหลาบกลิ่นศพนั้นเป็นสมมุติบัญญัติหรือคำเรียกขานอันเกิดจากความเข้าใจได้ว่ากลิ่นอย่างนี้ชาวโลกก็เรียกกันว่ากลิ่นอะไรดังนั้นเมื่อจมูกได้กลิ่นให้รู้ว่า เป็นรูปคือกลิ่นก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ว่ากลิ่นอะไรเพราะกลิ่นอะไรเป็นสมบุติบัญญัติคู่ที่สคือลิ้นกับรสลิ้นได้แก่ประสาทลิ้นซึ่งรู้ได้ด้วยใจว่ามีอยู่รสที่ลิ้นรู้เป็นศักว่ารสแต่ที่ว่ารสเปรี้ยวรสหวานรสมะม่วงรสมะนาวนั้น เป็นสมมุติบัญญัติหรือคำเรียกขานอันเกิดจากความจำได้ว่ารถอย่างนี้ชาวโลกก็เรียกกันว่ารถอะไรดังนั้นเมื่อลิ้นรับรถให้รู้ว่าเป็นรูปคือรถก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ว่ารถอะไรเพราะรถอะไรเป็นสมมุติบัญญัติคู่ที่หคือกายกับโภทธภะ คือสิ่งที่มากระทบกายโพธพะมีหลายอย่างคือธาตุไฟหรือความเย็นร้อนธาตุดินหรือความอ่อนแข็งและธาตุลมหรือความตึงไหวแต่ที่ว่ากายถูกแดดถูกฝนถูกยุงกัดถูกคนต่อยถูกลมพัดนั้นเป็นสมมุติบัญญัติหรือคำเรียกขานอันเกิดจากความจำได้ว่าสิ่งสัมผัสกายอย่างนี้ชาวโลกเขาเรียกกันว่าอะไร ดังนั้นเมื่อกายกระทบโธธพธิภพให้รู้ว่ารูปคือเย็นร้อนรูปคืออ่อนแข็งรูปคือตึงไหวก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องรู้ว่าสิ่งใดมากระทบเพราะสิ่งใดๆนั้นเป็นสมมติบัญญัติคู่ที่6คือใจกับธรรมารมหรือสิ่งมากระทบใจธรรมารมมีหลากหลายที่สุดได้แก่หนึ่งรูปบางอย่าง เช่นรูปยืนเดินนั่งนอนคู้เหยียด 2. จิตทั้งหมด 3. เจตสิกทั้งหมด 4. บัญญัติและ 5. นิพพานส่วนใจก็คือจิตชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่รู้ธรรมารมนั่นเองในเวลาทำวิปัสสนาสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรรู้เบื้องต้นได้แก่รูปยืนเดินนั่งนอนคู้เหยียด ตลอดจนความรู้สึกทางใจทั้งหลายอันเป็นอารมณ์ปรมาทั้งเช่นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกโกรธความรู้สึกโลภความรู้สึกหลงความรู้สึกฟุ้งซ่านความรู้สึกหดหู่เป็นต้นนอกจากนี้ควรจำแนกให้ออกถึงความคิดหรือสมมติบัญญัติที่เกิดตามหลังการรู้รูปและตามหลังการรู้ความรู้สึก เช่นพอรู้รูปอย่างหนึ่งก็เกิดความคิดบรรยายว่านี่คือรูปนั่งไม่ใช่เรานั่งเป็นต้นหรือพอรู้สึกโกรธก็อาจจะเกิดความคิดว่านี่คือความโกรธไม่ใช่เราโกรธหรือเกิดการคิดนึกไปตามอานาจของความโกรธเช่นคิดถึงคนที่ทำให้โกรธเป็นต้นสมมุติบัญญัตเหล่านี้ไม่มีความสาคัญใดๆต่อการทำวิปัสสนา แต่ก็ควรปล่อยมันไปอย่าพยายามห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือพยายามละมันเพราะสมมติบัญญัติก็เป็นอนัตตาคือห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เอาแค่รู้ทันแล้วไม่หลงจนมันปิดบังอารมณ์ปรมาติตก็พอแล้วถึงจุดหนึ่งมันจะดับไปเองถ้าเราไม่ไปช่วยมันปรุงแต่ง 3. จิตสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือจิตเพราะลำพังรูปนามทั้ง6คู่กระทบกันยังไม่มีความหมายอะไรแต่สิ่งที่ไปรู้การกระทบแล้วปรุงแต่งเป็นกุศลและอกุศลคือจิตดังนั้นไม่ว่าจะเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างใดก็ต้องรู้จักจิตทั้งสิน้น จะปฏิเสธความสําคัญของจิตไม่ได้เลยจิตมีลักษณะอย่างเดียวคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ในภาคปริยัติจำแนกจิตออกไปถึง89หรือ121ดวงและกล่าวถึงการทำหน้าที่ของจิตไม่กว้างขวางมากถึง14ประการคือปฏิสนธิหรือเกิดพวังจุติหรือตาย รำพึงถึงอารมณ์ทางกายทวารทั้งห้ารู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายรับอารมณ์พิจารณาอารมณ์ตัดสินอารมณ์เสวยอารมณ์ทางใจและหน่วงอารมณ์สำหรับผู้ปฏิบัติไม่ต้องเรียนมากมายถึงขนาดนั้นก็ได้เบื้องต้นให้รู้จักจิตเพียงสองกลุ่มก็พอคือหนึ่ง จิตที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกหรือที่เรียกว่าวิญญาณจิตและสองจิต ท, ที่ทำหน้าที่เสวยอารมณ์หรือที่เรียกว่าชวนะจิตซึ่งเป็นกุศลจิตและอกุศลจิตต่างๆคือเมื่อจิตรู้อารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้นแล้วจิตมักจะเกิดกุศลบ้างอากุศลบ้างเช่นเมื่อตาเห็นรูปที่สวยงาม จิตรู้รูปด้วยตาแล้วจิตก็เกิดความยินดีพอใจเมื่อได้ยินเสียงที่ไม่น่าฟังจิตรู้เสียงได้หูแล้วจิตก็เกิดความยินร้ายเป็นต้นพูดอย่างง่ายๆก็คือเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสิ่งสัมผัสทางกายและใจกระทบธรรมารมแล้ว หากจิตเกิดปฏิกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นความยินดียินร้ายก็ให้รู้เท่าทันความยินดียินร้ายนั้นอีกชั้นหนึ่งเพราะการที่จิตไปหลงยินดียินร้ายในอารมณ์ทำให้จิตเป็นทุกข์หากจิตพ้นความยินดียินร้ายคือเป็นกลางต่ออารมณ์จิตก็ใกล้ต่อความพ้นจากทุกข์เพื่อ น, นักปฏิบัติจานวนมากมักคิดว่าจิตเที่ยง หรือคิดว่าจิตมีอยู่ดวงเดียวเดี๋ยวก็วิ่งไปรู้อารมณ์ทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปรู้อารมณ์ทางหูเดี๋ยวก็วิ่งมารู้อารมณ์ทางใจคล้ายกับจิตเป็นแมงมุมที่เฝ้ารอเหยื่ออยู่กลางใหญ่พอมีแมลงคืออารมณ์มากระทบใหญ่คือทวารทางใดก็วิ่งไปเสพแมลงหรืออารมณ์ทางนั้นเสพแล้วก็กลับมานอนรอเหยื่อครั้งต่อไปอีก เพราะการคิดว่าจิตมีดวงเดียวนี้เองพอเพื่อนนักปฏิบัติพบว่าจิตหลงไปรู้อารมณ์ทางตาทางหูจนกระทั่งทางใจก็มักจะพยายามดึงจิตคืนกลับเข้าฐานผลก็คือเกิดความอึดอัดทางจิตใจแต่ถ้าผู้ปฏิบัติเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกว่าจิตเป็นของที่เกิดดับเกิดดับก็จะไม่หลงผิดว่าจิตเที่ยง และไม่คิดหวงแหนจิตด้วยเช่นทราบว่าจิตที่รู้รูปทางตาก็ดวงหนึ่งจิตที่หลงเพลินไปกับรูปก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่ากำลังหลงรูปก็ดวงหนึ่งจิตที่อยากจะรู้ตัวและไม่หลงรูปก็ดวงหนึ่งจิตที่ทำกรรมคือจงใจดึงความรู้สึกกลับมาที่ตนเองก็ดวงหนึ่งเป็นต้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ การปฏิบัติจะราบเรื่อนขึ้นอีกมากทีเดียวพ่อแม่ครูอาจารย์รูปหนึ่งคือหลวงปู่ล่าเขมปัดโตวัดผูจ่จอกอ็จังหวัดมุกดาหารท่านเคยสอนไว้ว่าผู้ที่เห็นว่าจิตหรือผู้รู้เที่ยงยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แท้จริงแล้วจิตเกิดดับรวดเร็วมาก วิธีทำความรู้จักรูปนามมี2วิธีคือ 4.1 การศึกษาเรื่องสภาวธรรม72ในภาคปริยัตประกอบด้วยจิต1เจตสิก52รูปแท้18และนิพพานหนึ่งเรื่องนี้ท่านใดสนใจขอให้ศึกษาเพิ่มเติมเอาเอง แต่ศึกษาแล้วต้องนำความรู้มาเทียบเคียงให้เห็นสภาวะจริงๆของรูปนามจึงจะลงมือปฏิบัติได้ 4.2 การใช้สติปัญญาสังเกตรูปนามในภาคปฏิบัติเรื่องนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวไว้ในหัวข้อการเจริญวิปัสสนาตามความเข้าใจของผู้เขียนต่อไปเมื่อรู้จักวิธีการปฏิบัติตามกิจในอริยสัจและสติปัฏฐาน และรู้จักสภาวะของรูปนามอันเป็นภาคปริยัตแล้วคราวนี้ก็ถึงขั้นการลงมือปฏิบัติจริงได้แล้ว